สัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขะสมุทัทยความรู้ในทุกขะนิโรธความรู้ในทุกขานิโร ธ, ค า, ราโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดมรตในการออกจากกามความดมรตในความไม่พยาบาทความดมรตในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ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 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นชไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุข เแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยะฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกพุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมป ช, ชัญญะสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า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 ได้แก่นิวรณหอุปาทานคันห้าอายตนะหโพชโงเจ็ดและอริยสัจสี่อยู่เสมอ